ท่าน้ฟังคะพระสูตรของพระาศาสดานั้นเราจะได้พบกับวิธีการใช้ถ้อยคำซึ่งเป็นสุดยอดของการพูดหรือว่าของการที่พระาศาสดาได้แสดงวิธีในการตรอสเอาไว้ให้กับพวกเราแล้วนะคะรายละเอียดของสารธรรมนั้นก็เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากสมควรที่จะรู้และนำไปคร้ครวญกันใครสนใจก็ขอหนังสือพุ้ทวัจนะ มาได้ในรายการนี้022690006ได้รับอภินันทนาการมาจากท่านเจ้าวาดวัดนาปราพงลำลูกาคลอง1ิท่านอาจารย์คือกริชโสดทิพโลค่ะต่อไปนี้เราก็จะไปพบกับพระภิกษุอีกรูปหนึ่งนะคะในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะนั่นก็คือพระภัยบณ์อภิปุนโนค่ะกลาวน้องส ก, การาะท่คะเจ้าพาค่ะมาพบกันแล้วก็อขอ ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธองค์เพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ค่ะเชีานก็อาจจะพูดถึงเรื่องสตินี้อีกนะที่พระเจ้าได้พูดถึงว่าสติเนี่ยมีแล้วเป็นยังไงนะพุทธเจ้าบอกว่าคนที่มีสมาสติเนี่ยจะเป็นไปเพื่อสมาสมาธิได้และสมาสมาธิตรงเนี้ยพระเจ้าของเราเนี่ยแม่มีสมาธิที่ที่ลึกซึ้งมาก นะเข้าสมาธิออกสมาธิทุกขั้นทุกตอนปัทานาจะทําอะไรยังไงได้หมดทีนี้ที่จะพูดเพิ่มเติมอันนี้รู้สึกเราจะเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วถูกมค่ะที่จะพูดเพิ่มเติมก็คือว่าเพราะคุณมีสมาธิระดับนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าคุณจะสามารถตริตรึกเรื่องที่ต้องการตริตรึกได้นะไม่ตริตรึกเรื่องที่ต้องการไม่ไม่ต้องการตริตรึกก็ได้แลนะเป็นผู้ที่มีอํานาจเหนือจิตในคลองแห่งความคิดทั้งหลายหมายความว่าอะไร คหมายความว่าเราจะวางจิตของเราไว้ตรงไหนก็ได้ไเรื่อง <Okay. S 1> ที่เจอหน้าคนแล้วนึกไม่ออกไม่มีนะเพราะเราต้องคิดได้ <Okay. S 1> นะเรื่องที่คนนี้เขาทาให้เราเจ็บใจเราจะไปคิดเรื่องเขาอยู่เรื่อยๆไม่มนะีเราวางเรื่องนี้ได้นะหรือบางทีในสมาธิเนี่ยตรงคุณยมเตียวมันมันเนียนนุ่มไปหมดมันมีอะไรทุกอย่างอยู่ข้างในนี่นะคุณจะ <Okay. S 1> สามารถวางจิตคุณไว้ตรงไหนก็ได้นะวางจิตไว้ตรงไหนก็ได้นี่คือความสามารถของคนที่มีกําลังจิต แต่คือคสามารถวางจิตไม่ตรงไหนก็ได้นี่คือสัมมาสมาธิซึ่งเป็นผลมาจากสัมมาสตินั่นเองเพราะฉะนั้นธรรมของพระเจ้าเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกันมาอย่างนี้นพอเรามีสติแล้วจะทําสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้มีสัมมาสมาธิแล้วคุณจะมีอำนาจเหนืยจิตจะวางจิตไว้ตรงไหนแก้ปัญหาอะไระทํายังไงได้หมดคิดเรื่องอะไรได้หมดอย่างนี้สติเนี่ยเป็ น, ป น, ปนตัวที่กํากับ ให้สมาธิเนี่ยไปนในทางสัมาราสมาธิด้วยนะคือถ้าเรามีสัมาราสติแล้วเนี่ยที่ตามมาก็เป็นสัมาราสมาธิแน่ค่ะง้ก็จึงถือว่าเรื่องของสติเนี่ยพระพุทธองค์ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่น่าสนใจก็คือว่าพอมีสติแล้วอยากจะต ร, กตรึกอะไรก็ได้ไม่อยากจะตรึ ก, รกอะไรก็ได้ อ, อันนี้มันพิเศษนะคะ ประเด็นเชื่อว่าอันนี้มาจากสมาธินะคือหมายถึงสติสะสะจะทำให้สมาธิและสมาธิแล้วจะทําให้เราตรื่ตระหนกเรื่องอะไรก็ได้ค่ะเ<ม>พราะว่าถ้าเราอาจจะคิดว่าเราทําได้ไม่จําเป็นต้องมีสมาธิก็ได้แต่<ม>ลองเถอค่ะมเมื่อเราปรารถนาจะคิดในสิ่งไหนในบางเวลาในเราคิดไม่ได้นะคะ <laughs> ใช่มันไม่ใช่ปุ๊บปั๊บทาได้อืมต้องไปตั้งหลักตรงตรงนี้ทําให้หลายคนประมาทว่าเอ พอเรารู้เคล็ดลับนี้ว่าก่ อ, กอนตายแค่จิตสุดท้ายจิตสุดท้ายใช่ไหมงั้นเดี๋ยวตอนตอนใกล้ๆค่อยๆไปทำนี่คุณบอกมาคุณบอกมามเหมือนถ้าถ้าใครฝึกสมาธิช่วงที่มันยังไม่ได้ที่นะนะคะดิฉันเข้าใจว่าจะเข้าใจในสิ่งที่ท่านไปบูนพูดเป็นอย่างดีเลยว่ามันไม่ใช่ยากธรรมดาเลยนะจิตนี่มันเหมือนกับอะไรสนๆเนี่ยนะคะอ<ม>โอ้โหไล่จับกันเหนื่อย แล้วก็มันก็ไม่มีตัวตนที่เราจะไปจับได้บังคับเขาก็จะปวดหัวเองไล่จับไปมันก็ไม่มีวิธีการก็จึงต้องพูดถึงอนาปานสติที่พชทเจ้าสอนอยู่บ่อยๆพระองค์ก็ทำเองนะคะนั่นถือว่าเป็นการถวายเพื่อพุทธชยันตีเราหรือยังคะใช่ใช่เรื่องของสมาธิสตินี่แหละใช่ค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ได้ขอท่านไว้ว่ารายละเอียดของสติที่ท่านบอกว่ามีเยอะ ถ้าไปหลีกเล่นก็จะมีการพูดแต่เรื่องนี้ซึ่งเป็นหัวใจที่พระพุทธองค์ตรัสมาตั้งแต่ตัดสินใจที่จะสอนธรรมกับมนุษย์แล้วเนี่ยนะคะจนกระทั่งวันปนิ๊นิพพานยังพูดเรื่องนี้ส่วนละเอียดนอกเหนือจากนั้นที่คนรู้เพิ่มเติมจากเมื่อวานนี้อีกมีอะไรหรืคะเออก็มีเรื่องว่าลมหายใจที่เข้าที่ยาวออกเข้าอา่ายาวและสั้นถูกไหมที่เราบอกว่าไม่ตามลมเนี่ยนะ ทีนี้ไอ้ลมหายใจของเราบางทีมันมันมันแต่ละวันมันไม่เหมือนกันในวันเดียวกันมันอาจจะไม่เหมือนกันด้วยซ้ำนะเช่นตอนเช้านี่มันจะมันจะยาวกว่าหรือตอนยินข้าวใหม่ๆนี่มันจะทีขึ้นอย่างเงี้ยตรงนี้เราจะทํำยังไงนะถ้าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงตรงนี้คุณก็ทราบไปเลยว่าคุณไม่ต้องตามนั่นก็คือตามเหมือนเดิมนะอยู่ที่ตําแหน่งเดิมแล้วก็รู้ต่อไปเรื่อยๆแล้วบางทีเราอาจจะรู้ว่าเออลมหายใจชั้นอุ่นนะลมหายใจชั้นเย็นนะ มันก็เหมือนเดิมคุมก็รูตีตำแหน่งเดิมที่เราต้องการไม่ใช่ลมหายใจเราต้องการจิตที่เข้าไปรับรู้ตรงนี้เยานั้นแล้วก็ประการถัดมา ก, ก็คือว่าบางทีเราเข้าลมหายใจเราเข้ารูเดียวออกรูเดีย ว, ออ เ, ยวเข้ารูเดียวออก2องรูก็มีบางทีม <c oughs> จมูกตันอย่างเนี้นะเราก็รู้ได้เหมือนเดิ ม, มตรงนี้คือลักษณะของการที่รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง <c oughs> กายทั้งปวงนี่มันก็มี คือลมทั้งปวงกายคือลมลมคือกายใช่ไหมมันก็จะเป็นลมทุกๆแบบทุกๆชนิดเท่ากับว่าเราอยู่ที่เดียวที่เดิมเ่ยคือบริมุขขังถูกใช่ใช่เดี๋ยพุทธเจ้าอธิบายมายืดยาวเนี่ยต้องใช้อีกสองสามบรรทัดถัดมาเนี่ยเพื่ออธิบายตรงนี้ว่าอ๋อมันมีแง่มุมต่างๆนี้นะเราอย่าตามนะเราอยู่ที่บริมุขขังอย่างเดียว อ่านเองสามารถจะเข้าใจอย่างที่ท่านอธิบายได้ไหมคะเพราะที่ฉันยังเข้าใจว่าอาถ้าไม่มาถามครูบาอาจารย์สติปัญญาของตัวเองเนี่ยบางทีก็งงๆอยู่นะคะอธ <c oughs> ิบายทำยังไงมันก็ปฏิบัติมากๆนะจับจุดตรงไหนในบทพยัญชนะได้ไหมคะหรือว่ามาจับจุดได้ตอนปฏิบัตบิต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติอื ม, อมค่ะเพราะว่าถ้าไม่ปฏิบัติแล้วมันคือเราก็ทําผิดมาก่อนตามบ้างเอาจิตทําไมเราบ้าบอ เออถามหลวงพอ่อหลวงพ่อบอกให้ลองลองนิ่งดูเออเราทำนิ่งเออใช้แรกใช้กันได้เอาลองทําดูอ๋อไม่มีแง่มงุมบอร์เอีกอย่างงี้นี่นั่ออกมาปรึกษาท่านโอเคถูกต้องเราก็เลยคือการที่มีครูบาอาจารย์แนะนําก็คือปัญหานี่ท่านผ่านมาก่อนแล้วคท่านจึงแนะนําให้เราได้หลวงพ่อตอนแรกที่ท่านทำเนี่ยนะคือท่านตามลมไปปรากฏว่าโิ้ใจแบบฟุ้งซ่านมากเลยไปคิดเรื่องบ้าบอเป็นแบบจะบ้าไปแล้วนะ นันก็เลยเอางันลองไม่ตามลมเอาก็ได้ผลอย่างนี้อค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะนอกเหนือจากเรื่องของรูปพร้อมเฉพาะคือบางทีลมหายไปค่ะลมนี่แบบแทบจะไม่มีจกนกระ่งสงสัยวเอ๊ะเราจะตายหรือเปล่าอย่างเงี้มันมันจะไม่หายใจแล้วเราจะอาจิตไปที่ไหนตรงจังหวะที่ลมมันเบาไปหายไปอย่างนี้ซึ่งพระเจ้าก็ยังบอกว่าหายใจเข้าหายใจออกอยู่นะ เอทํากายให้สงบระงับกายคือลมใช่ไหมพอลมมันเริ่มสงบลงมาระงับลงไปแล้วหายใจเข้าหายใจออกเอาแล้วลมหายใจไม่มีแล้วอ่ะทำให้เรารู้ตรงนี้ว่าหายใจเนี่ยหมายถึงการหายใจการหายใจกับลมหายใจไม่เหมือนกันเข้าใจไหมการหายใจคุณมารึกรู้ถึงการหายใจด้วยการมารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจอย่างเงี้ยอนาปนสติเนี่ยนะคือการหายใจ <C> e> ใช่ไหมแล้วไอ้ที่สัมผัสเราต้องอาศัยสัมผัสมารู้รูเนี่นะก็คืออาศัยสัมผัสของลมหายใจก่อนทีนี้พอลมหายใจมันหายไปแล้วการหายใจคุณยังมีไหมมีเอาสติ <c oughs> ไว้ไที่ไหนเอาจิตไว้ที่ไหนไว้ที่เดิม <c oughs> อืมค่ะเรื่งไว้พูดพูดนี่นะคุณโยมเต๋วพูดให้เข้าใจนี่นะก็อย่างหนึ่งนะคุณจะทําได้ไหมอีกอย่างหนึ่งนะแต่แต่ก็ยังดีที่ว่านี่ท่านผู้ฟังทั้งหลายในโชคดีนะคะคือเหมือน <c oughs> <c oughs> กับว่า ถ้าจะไปหลีกเลนเนี่ยดิฉันเข้าใจว้ได้กำไรแล้วนะอืเก็บสะสมทุนคือเอาไปทดสอบกันเพล๋อ<ๆ>ขณะนี้เนี่ยกําลังเล่นกับลมหายใจกันให้ทั่วไปหมดเลยนะคะที่ฟังรายการเพราะว่ามันไม่ต้องหาเครื่องมือไหนนี่ก็ยืนอยู่ตรงนี้หายใจอยู่แล้วก็ลองดูเลยอแต่ดิฉันก็มีความรู้สึกว่าบางทีมันก็ตกใจเหมือนกันนะคะคนที่เอ้หายใจหายใจอยู่ลมหายไปอา้าวแล้วจะเอาจิตไปอยู่กับอะไรบางคนก็เลยอาจจะนึกถึงตอนจุดสตาร์ทที่ท่านบอกว่า ถ้าครั้งแรกใช่ไหมก็เลยกลับไปแม้หายใจที่นี่เลยอึดอัดหายใจแน่นหน้าอกไปตลอดทั้งวันคุณยมติ๋วเคยเคยเลี้ยงเด็กเด็กน้อยแบบทารกอย่างนี้นะค่ะคือถ้าเขาหลับไปแล้วเราให้เขากินให้เขาอาบน้ําสบายตัวแล้วเขาหลับไปแล้วเนี่ยเราไม่ไปปลุกเขาอีกคือคือถ้ามันตื่นแล้วมันจะมากลัวเราอีกค่ะเช่นเดียวกันถ้าลมหายใจของเราหายไปแล้วเนี่ยคุณอย่าไปหายใจแรงๆตื่นให้เขามาอีกมันจิะมันจะมันจะไม่สงบสตี ออย่างนี้อีกนะนี่นี่เป็นเทคนิคมากเลยนะอะถ้าสมมุติว่าไปศึกษาเองนี่อาจจะใช้เวลานานมากอืหรือไม่อาจจะต้องยกเลิกไปเลยเพราะมันอุ้ยทำไมเป็นอย่างนี้มันหายใจไม่ออกเลยเนี่ยอ่อานไปหมดมันก็ต้องอาศัยประสบการณ์นะตรงนี้มาจึงบอกว่าโอ้ต้องเขาเรียกว่าคุณก็ต้องเล่นกับลมหายใจมานานเหมือนกันนะมีครูบาอาจารย์คอยบอกสอนเห็นแง่มุมต่างๆทําทผิดมาแล้วทําถูกเป็นอย่างนี้ แกหายดีอย่างต่างมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละอืมค่ะหลังจากนั้นหลังจากลมหายใจหายไปแล้วก็ยังระลึกรู้ถึงการหายใจใช่ที่ตําแหน่งเดิมอ่าทีนี้การหายใจเราก็หายใจไปเรื่อยๆอยู่แล้วเดี๋ยว น, นี้มันมันไม่ใช่มีหายใจอย่างเดียวสิมันไม่ได้มีจิตอย่างเดจิตนี้มันยังก็ไปรับรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรต่างๆด้วยนะค่ะเออเดี๋ยวคิดเรื่องอะไรดีคิดเรื่องอะไรก็อะไรต่างๆนี่แหละคือการปรุงแต่งของจิต จิตมันปรุงแต่งไปนั่นนี่มีอย่างนั้นบางทีคันบางทเาีเหมือนหนักๆที่หน้าบางทีเหมือนตกเหวลงไปบางทีเหมือนกับตัวเอน็นเอแต่จริงๆไม่ได้เอน็นอะไรพวกนี้ทั้งนั้นน่ะคือการปรุงแต่งของจิตทั้งหมดเลยค <ทะ S 1> ่ะเพราะว่าอันนี้จิตมันปรุงแต่งไปเองนะค่<ท>ะถามว่าเอ้ยตอนที่เราอยู่เฉยๆเราก็ไม่ได้ทําอะไรนะทําไมหน้าเราไม่หนักหรือทําไมเราไม่มีตัวอะไรมาไตาา่รู้สึกเหมือนอะนะจริงๆตัวอะไรไต่ตไม่มีอยู่แล้ว หรือว่าไม่เหมือนตกเหวแต่พอเราจะไปทําเท่านั้นมันมีอย่างเงี้ยมีเฉพาะตอนคุณหลับตาก็มีนะบางคนใช่ค่ะคือช่วงแรกๆดีฉันเป็นนะคะชอบคันที่หลังมืออืแปลกมากนั่งอยู่เฉยๆทาอะไรไม่มีเลยแต่พอเริ่มนั่งสมาธิปุ๊บมันจันมากที่<ม>หลังมือ ม, มันมาทันทีค่ะนี่คือการที่จิตปรุงแต่ง<ม>ตการปรุงแต่งของจิตจิตตสังขารนะว่ากันเถอะ แต่พูดถึงถ้าพูดถึงการปรุงแต่งของจิตฟังดูนไม่เป็นเหตุผลเลยว่าเอาที่ไหนมาปรุงเพราะว่าต้องใช้ประสบการณ์ตัวเองอย่างเดียวเลยนะคะเราก็ไม่เคยมีประสบการณ์ที่จะหวั่นไหวเรื่องจะคันมือไม่คันมือมาก่อนเลยทำไมมันไปปรุงแต่งเกิดอาการแบบนั้นได้ต่อเนื่องยาวนานกว่าจะสลัดหลดุดทีนี้พอจิตปรุงแต่งไปเรื่อยๆมก็เป็นไปตามเรื่องราวราของมันแ้นะ คคนก็สร้างการรมอะไรต่างมาไม่เหมือนกันมันก็จะมาออกบ้างอะไรต่างบ้างทีนี้อย่างไรก็ตามการปรุงแต่งของจิตตรงนี้คุณต้องทําให้ระ ง, งับอื ม, อมก็คือทําการปรุงแต่งของจิตให้ระ ง, งับให้ใจเข้าให้ใจออกอีกอย่างนี้คะอืมทําะก็คือเหมือนถึงว่าทนมันไปอย่างนั้นเลยทนมันไปใช่ทนมันไปมันออกมาทนมันไปไม่สนใจมันระ ง, งับไปเองอืมทน คือเรามีสติอยู่กับปริมุขกลางต่อไปอ่ามันก็จะระ ง, งับไปเอ ง, องมันอาจจะนานใช่ไหมคะแต่ต้องทนใช่นานบ้างสั้นบ้างแล้วแต่อินทรปนางแต่ละคนนอกเหนือจากการไปรับรู้การปรุงแต่งของจิตต่างๆที่เราจะต้องทำให้ระ ง, งับไปคือทนมันไปแล้ว มีอะไรอีกไหมคะที่เกี่ยวกับเรื่องของสติเนะะี่ยค่ะนาทีที่สิบสามยี่สิบห้าสี่สามสองหนึ่งค่ะเอ่อที่คุณโยมติ๋ถามว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงใช่ไหมค่ะเอ่อที่ที่พูดมาทั้งหมดตั้งแต่แรกเนี่ยนะมันอาจจะไม่เป็นลําดับก็ได้นะอ๋ออันนี้กระโดดมาอันนี้อันนี้คือโดดมาอันนี้อันนี้คือจะมีอะไรอีกบ้างเนี่ยก็อาจจะมีอ่ามีแบบบางที่โอ้ยน้ําตาไหลหรือว่าตัวสานมีปิติเกิดขึ้นบางอันเถอะ ปีติก็คือความอิ่มเอิบใจความสบายใจนะปีติสุขนะมีมีไดนะ้เราก็ให้รู้เฉยๆแต่พนะระเจ้าใช้คําว่ารู้พร้อมเฉพาะนะคือรู้เฉยๆนะแล้วก็มีสติอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกต่อไปหมายถึงว่ามีสติอยู่ในการหายใจต่อไปได้ค่ะคือเมื่อมีปีติก็ให้รู้มันเฉยๆมีหน้าที่รู้แหละที น, นี้ใช่ใช่ทีนี้หลังจากนั้นนะ พอทําจิตให้ระ ง, งับแล้วเราจะเริ่มเห็นจิตอืเห็นจิตเอ๊ะเห็นจิตมันเป็นยังไงโอ้โหอันนี้เอางี้สมมติคุณหายใจอยู่ตรงเนี้ยนะเอาท่านผู้ฟังฟังด้วยเนี่ยหายใจอยู่ด้วยเนี่ยนะถามว่าคุณรู้ไหมไอ้พูดที่เข้าไปรู้ลงหายใจกับไอ้ตัวลมหายใจเนี่ยมันคนละตัวกันอ่าถ้าถ้าเราแหมพูดตรงนี้คนที่เคยรู้เขาก็จะรู้แนวะออใช่คนที่เข้าไปรู้ลงหายใจกับตัวลมหายใจเนี่ยมันคนละตัวกันนะมันไม่ใช่ตัวเดียวกัน นี่แหละนี่หลยแหละรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตแล้วซึ่งอธิบายไม่ได้แต่สามารถบอกได้ว่ามันมีตัวเข้าไปรู้ซึ่งไม่ใช่เป็นตัวเดียวกันกับ ต, ตัวที่ถูกรู้ถูกต้องคนละตัวกันหลังจากนั้นก็จะเป็นการที่ทำจิตให้ตั้งมั่นคแค่ก็ประมาณนี้นะที่พระเจ้าได้พูดถึง ในทุกขั้นตอนที่ท่านได้อธิบายมาแล้วทั้งหมดเนี่ยเมื่อเรารู้มันเฉ ย, ยๆหรือว่าทําให้รํางับรู้พร้อมเฉพาะอะไรอย่างเงี้ย น, นะค ะ, ะก็ยังต้องกลับมาอยู่กับลมหายใจใช่ไหมคะใช่ใช่คือถ้ า, ถาเราจะกลับกันนะคือเอาการหายใจเป็นหลักซ ะ, ะไตรงทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยอันไหนเกิดก่อนอันไหนเกิดหลังก็มีได้ทั้งนั้นอเพราะนั้นเอาการหายใจเป็นหลักคือสลับเอาการหายใจเข้าหายใจออกขึ้นมาก่อน นะที่เหลือเนี่ยเป็นพวงพวงพวงพวงที่จะอาจจะเกิดในก่อนหลังก็ได้ทั้งนั้นเลยเท่ากับว่าทั้งหมดนี้เนี่ยคือกระบวนการของการเจริญสติโดยใช้อานาปานาสติแล้วใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องถูกต้อ ง, อ ง, องนะคะทีนี้ที่ฉันถามต่อคำหนึ่งเรื่องปีตินะคะจําเป็นต้องมีไหมคะในการที่เจริญสติไม่ไมแน<บ>่อนาปานาสติอาจจะมีก็ได้จะไม่มีก็ได้ค่ะ เพราะนั้นบางคนอาจจะคอยนะคะเอ้ะเมื่อไหรมันจะปีติสถีมีเทคนิคให้มันปีติได้ไหมค่ะคือว่าตรงนี้มันไม่ใช่ว่าจําเป็นจะต้องมีทุกคนนะไม่จําเป็นมันไม่จําเป็นค่ะวันนี้ก็เวลาจํากัดอีกแล้วนะคะคงจะต้องเป็นวันที่วันถัดไปแล้วล่ะนะคะได้ได้ได้ก็กราบมหการขอบพระคุณพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุณโนเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเจริญพานท่านฝั่งที่ครบค่ะที่ฉั้นเห็นว่าประสบการณ์แบบเนี้ยมีประโยชน์เหลือเกินนะคะ ท่านไพภูนผ่านทั้งการปฏิบัติด้วยตนเองแล้วก็ทำสม่าเสมอมากพร้อมกับสอนคนเป็นจนวนมากในทุกเดือนทุกเดือนน่ะคะดิฉันเชื่อว่าในสิ่งเหล่านี้เนี่ยท่านก็คงมีมากพอที่จะมายกตัวอย่างอย่างให้เราได้เห็นสั้นๆแล้วชัดเจนฟังจากรายการสัมนสนาสนทนากันอีกได้ในวันต่อๆไปนะคะเราก็จะมาพบกันตั้งแต่ตีหถึงตีหครึ่ง ทางสถานีวิทยุ FM ครอบครัวข่าวแห่งนี้เพื่อให้ท่านทั้งหลายนั้นมีเสียทีที่เกิดมาเป็นชาวพุทธนะคะไม่ใช่เพียงแต่พุทธในทะเบียนแต่ท่านเป็นพุทธที่เป็นทายาทของพระศ า, าสดาเพราะว่าท่านรู้จักธรรมซึ่งเป็นทายาทเพียงอย่างเดียวของพระพุทธองค์นะคะและนำไปปฏิบัติด้วยวันนี้ก็ลาการปฏบตเบียนเท่านี้ก่อนพุทธวัตรสวัสดีคะ่ะ